ท่านสาธุรชนมุทบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็เป็นคืนวันที่เก้าตุลาคมปีสองพันห้ารอยี่สิบหกแต่ว่าบองโดยเวลาถ้าทางร า, ายการเขาจะถือว่าเป็นวันที่สิบแล้วแต่ว่าทางพระก็ยังถือว่าเป็นวันที่เก้าเพราะยังไม่ได้รุณ ดูวันเวลามันสว่างใกล้จะสว่างเข้ามาทีละน้อยละน้อยร่างกายมันยังไม่อยากหลับอาการทางร่างกายมันเครียดจริงๆมาสี่วันเสร็จใกล้จะถึงวันเกิดก็ดูว่ามันก็คงใกล้จะถึงวันตาย <c oughs> จะเกิดหรือจะตายก็ช่างมองดูเวลาสามนาฬิกาเสร็จก็ช่างปไปเลเรื่องของร่างกายใจเราไม่เกี่ยวร่างกายอยากจะหลับก็เชิญหลับไม่อยากจะหลับก่อนแล้วไปมันอยากจะกินก็เชิญกินมาไม่อยากกินก็ช่างมันก็หมดเรื่อง เราตอนนี้เราก็ไปนั่งมองดูวลาไม่ ใ, ใกล้จะสว่างนี้เมื่อทุกท่านศึกษาริยสัจเฉพาะทุกแล้วก็ศึกษาบารมีสิบตอนนั้นเขาถือว่าเป็นการเตรียมตัวเพื่อความเป็นพระอาริยเจ้าตอนนี้เราก็มาฝึกเพื่อความเป็นพระอารียเจ้ากัน สำหรับการฝึกเป็นพระอริยเจ้าในบรรดาเพื่อนบิณฑบาตสมณีทั้งหลายจงอย่าหลงตนว่าเป็นพระอริยเจ้าและก็จงอย่าเข้าใจว่าตนเป็นพระอริยเจ้าการจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่เป็นไม่สำคัญไม่เอาแต่เพียงว่าท่านมีปฏิปทาแบบไหน เราใช้ปฏิปทาแบบท่านมาใช้ก็หมดเรื่องใจเราจะได้เป็นสุขอย่างน้อยดีสุดเราก็เป็นคนตกนรกยากหรือว่าดีไม่ดีเราก็เกิดไม่อยากตกเลยก็อย่างได้นรกพระนิพพานจะไปได้จะไม่ได้ก็อยู่เมื่อความตายเข้ามาถึง ถ้ายังไม่ตายเราก็ยังไม่ควรพูดกันว่าเราจะไปนิพพานในชาตินี้แต่เราก็พร้อมเตรียมตัวผูว้่อจะไปในชาตินี้อยู่เสมอถ้าชาตินี้ไปไม่ได้ชาติหน้าก็ไปได้ชาติหน้าไปไม่ได้ชาติต่อต่อไปก็ไปได้เป็นนั้นว่าเราสร้างความสุขใจไว้ก่อนดีกว่า การฝึกฝนตำตนคล้ายคร่งพระอริยเจ้าจะเป็นหรือไม่เป็นอย่าเข้าไปยุ่งอย่าไปนึกว่าเวลานี้เราเป็นพระโสดาบันเป็นพระสิกขาคามีนาคามีราหารันถ้าไปนึกอย่างนั้นเข้าถ้าไม่เป็นจริงๆจะยุ่งใหญ่ถ้าได้เป็นพระอริยเจ้าจริงๆเขาก็ไม่นึกกันนะ ความจริงเขาเป็นพระอริเจ้าจริงๆในคอมเมนต์นึกกันเขาไม่นึกว่าเป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าสมบอกว่าความอิ่มความเบื่อความอิ่มความเต็มจงอย่ามีจงเป็นผู้ไม่มีความอิ่มความเต็มในตาบะเป็นเครื่องเผาผ่านกิเลสคือเสียงผมแม่งใกล้สว่างเข้ามาจริง ๆ, งๆงเสียงก็ใกล้เมื่อถรงไปทุกทีก็ช่างอะไร ก็พูดธรรมะกันผมพูดธรรมะจิตใจผมมันสุขร่างกายมันเครียดแสงเครียดบันทึกแล้วกว็เดินเข้าส่วมก็้าสโวมแล้วกว็เดินมาบันทึกใครว่าอะไรไม่เมื่อผมไม่ว่าผมถ้าคนเดียวใครเขาจะว่าและก็เวลาดึกอย่างนี้ไม่มีใครรู้อยู่ห้องคนเดียวก็วไม่มีใครว่าอีก วันนี้เรามาศึกษาเรื่องความเป็นพระโสดาบันกันพระโสดาบันท่านเป็นกันยังไงอันดาญาติโยมพุทธบริษัททันหลายเคยมาบอกว่าเคถามพระท่านแล้วพระท่านบอกว่าพระโสดาบันนะี่เป็นยากแสนยากญาติโยมทําไมไม่ถามองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคคือพระพุทธเจ้าอยู่บ้าง พระพุทธเจ้าถ้าไม่เคยบอกเลยว่าพระโสดาบันเป็นยากพระโสดาบันตามปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าส่งเทศไว้เปนง่ายจริงๆง่ายมากคือถ้าระยตตำน้าพริกสักครกถ้าเป็นมะครัวเป็นประสดาบันง่ายกว่าตำน้าพริกหนึ่งครก ว่าตามน้ำพริกกิ้นหนึ่งครกที่ถ้ามือไม่ดีปรุงไม่ดีจีงรสมันไม่อร่อยแต่เบอโสดาบันนี่ไม่ต้องเปลี่ยนรสใครจะเป็นเบร์โสดาบันก็รสเดียวเหมือนกันหมดรสที่จะเป็นเบร์โสดาบันได้มีสามรสรสทหารนะหรือว่าจะเป็นรถขับขี่ก็ตามใจคือหนึ่งรสสกายทิฐิ สองรถวิจิกิจฉาสามรถศิลปตปรตาปรมาตมีเท่านี้เองพระโสดาบันมีเท่านี้นแล้วพระสีธาคามีก็มีเท่านี้แต่ละเอียดกว่ากนิดวันนี้จะพูดเรื่องพระโสดาบันเสียก่อนพระโสดาบันก็ลองคิดดูว่าถ้าเป็นญาติจริงๆ ท่านมีสาขาวมหาบิคาท่านเป็นเด็กอายุเจ็ดปีท่านฟังเทศจบเดียวท่านก็เป็นประสูดาบันท่านี้ตามแบบท่านเขียนบอกว่าคนที่จะเป็นประสูดาบันได้ต้องตัดสกายทิฐิได้เด็ดขาดคือมีความรู้สึกอรุรางกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราความจริงแบบท่านเขียนไม่ผิดแต่ว่าท่านผู้ร้อยกลองเข้าใจผิดทั้งนี้เพราะไรว่าอารมณ์นี้เป็นอารมารณ์ผ้าหลานไม่ใช่อารมรณระุสูดาบันอารมรณ์ปุสูดาบันมีความรู้สึกตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่ามีสมาธิเล็กน้อยถ้ามีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์อารมณ์บัณฑ์ดาบันมีความรู้สึกติพิงว่าร่างกายนี้จะต้องตายแล้วก็ยังไม่ถึงกับรังเกียดร่างกายถ้ารังเกียดร่างกายนี้ไปอารมณ์พระอนาคามีตัวอย่างจะเห็นได้ชัด อย่างกับท่านวิสาขามาหาบาสิกาท่านเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีพอายุสิบหกปีท่านเป็นสาวท่านก็แต่งงานนี่ถ้ารังเกลียร่างกายจริงๆจะแต่งงานทําไมเมื่อแต่งงานแล้วท่านก็ไม่ได้แต่งกับทุกขตาท่านแต่งกับคน ท่านก็มีลูกผู้ชายที่สิบคนลูกผู้หญิงสิบคนท่านมีลูกของท่านจริงๆยี่สิบคนก็ลองคิดว่าถ้าคนรังเกียยร่างกายมีลูกตั้งยี่สิบคนได้ไหมหรือว่าจะมีลูกสักหนึ่งคนได้ไหมในเมื่อเรามีความรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ของเราไม่ไม่สนใจกับร่างกายเลย ถ้าไม่สนใจกับร่างกายเลยนี่ใครเขาแต่งงานกันบ้างก็เป็นเพร า, าเข้าใจว่าปะโสดาบันมีอารมณ์ไม่สูงยังมีความรักร่างกายเต็มร้อยเปอร์เซนต์ร่างกายตนเองก็รักร่างกายคนอื่นก็รักและก็ไม่ใช่รักเฉยๆรักวิ่งกระโดดเขาเป็นคู่ครองกันซะด้วย อย่างพัญญาเขาท่านพรานกุกตมิตรเป็นลูกมหาเศรษฐีเป็นเบสรดาบันตั้งแต่ยศเจ็ดปีเหมือนกันเห็นพรานที่เป็นเนื้อคู่เก่าในชาติก่อนทนไม่ไหวเดินไปดักหน้าทางเกวียงเขาไม่ให้ตามดักเลยนี่เป็นว่าอารมณ์เบสดาบันก็เหมือนคนธรรมดาแต่ไม่มีโทษทางศีล ตอนนี้ก็มาคุยกันเล่นๆถามว่าท่านคิดว่าฝึกตามแบบฉบับทรงอารมณ์ของโสดาบันทำแบบสบายๆอย่ารุกรายกำลังใจถ้ารุกรายกำลังใจเป็นอัตตะกิจมัฐานนิยกอย่าลืมนะจะไม่มีผลในทางปฏิบัติ ถ้าจิตใจอยากได้เกินไปเป็นการมาสุขนิการนิโยกิตฟุ้งซ่านตกในลักษณะของนิวรณ์ทำใจเป็นสุขเอาแค่หนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายราการในสองถ้าชีวิตจะต้องตายก่อนจะตายก็ต้องเอาที่พึ่งให้ได้แน่นอน คือยอมรับนับถือความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยอมรับพระธรรมยอมรับพระอริยสงฆ์ทั้งสามทั้งสามไ ต, ตรสรณนามมนิจจะไม่ยอมปรามาชจะไม่ดูถูกดหมิ่นไม่เหยียดหยามและก็เปริการที่สามจะส่งสินห้าบริสุทธสำหรับฆราวาส ฮิสุสมันเนนจำเป็นอย่างยิ่งฮิสุทรงศิลสองร้อยยี่สิสบเกดศษสขาโบททีเบียนทุกกฎและพิสมาจารย์อาจจะละเมิดบ้างเป็นของธรรมดาแต่ตั้งแต่บราชิกสี่ถึงปาติตีควร ย, ยับ ย, ยั้งยาให้ละเมิดถ้าจะพลาดพลังไปได้ถ้าไม่มีเจตนาก็อาจจะเอาได้สมันเนน สินสิบไม่พอต้องมีเศวคียวัติอีกเจ็ดสิบห้าไม่อย่างนั้นความเป็นเนรไม่มีที่วัดนี้ที่ไม่ต้องการรับเนรก็เพราะหตดนี่แหละหลายวัดบอกว่าเนรก็คือเด็กเด็กก็คือเนรถ้าอย่างนั้นยัยบวชทําไมมันลงนรกจะไปแนะนําให้เด็กลงนรกมันมีประโยชน์อะไร ตอนนี้เราก็มาคุยกันเล่นๆแต่ว่าทำจริงๆมันก็มีผลจริงๆนะสมมติว่าส ก, กายธิฐิเรามีความเข้าใจว่าชีวิตนี้ต้องตายแต่ความตายนี่มีจริงแต่ว่าท่นานญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงว่าเพื่อนบิสุสมันเนิน แต่คนมักจะมองเห็นคนอื่นตายแต่ก็ไม่ได้มองดูความตายของตัวเองอันนี้มีเป็นปกติครับ <c oughs> อย่างนี้มีเป็นปกติธรรมดาธรรมดาแล้วเราทำไมถึงจะไม่ลืมความตายล่ะเอามานั่งคุยกันคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาของคนปัญญาโ ง, ง่องๆอย่างพวกเรา อย่าลืมว่าเวลานี้กำลังพูดตามสายแนวโคออธมบริการสูตรในแนวของพระพุทธเจ้าผมยอมรับนับถือองค์เดียวยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวคนอื่นจะมายุ่งกับผมไม่ได้ใครจะประกาศตนเป็นผ้ารหารถ้าพูดแบกแนวสวนทางกับพระพุทธเจ้าผมจะไม่ยอมรับฟังเด็ดขาด ฟังพุฟังโยนทิ้งลงส้วมไปแต่ว่าผมเลิกวิธีขาดถุยซะแล้วนี่เมื่อสมัยผมเป็นเด็กๆผไม่ชอบใจมันขาดถุยเลยเวลานี้ผมแก่แล้วผมขากไม่ไหวถุยไม่ไหวแต่ก็จะยอมทิ้งส้วมไปอรหันตเพศเดินสูนทางพระพุทธเจ้าเนี่ยผมไม่ยอมรับนับถือ ผมถือว่าคนนั้นเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกของพระพุทธศาสนาตามคติของเราคิดอย่างนั้น <c oughs> ข้ายเปรย์รันของเขาก็ช่างประไลก็ม า, าคุยกันนี่เราคุยกันตามแนวอุทุมบุริกาสดยังหรือว่าอุทุมบุริกาสูตรพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนที่เข้าถึงกระพี้ นั่นคือระลึกชาติได้ที่เรียกตามภาษาวาลีว่าปุเพนิวาสานุสติญาณหากว่าเราคิดว่าเราจะลืมความรู้สึกก็เราตายก็ใช้กําลังปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติถอยหลังชาติถอยหลังลงไปว่าเราเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติ ลองวัดที่แรกสักสิบชาติเป็นอะไรบ้างถ้าคร่องตัวดีเขานี้ไม่ต้องนับแล้วอัทีเดอเคยเกิดเป็นอย่างนั้นไหมเคยเกิดเป็นอย่างนี้ไม่ภาพจะเกิดทันทีทันใดอันนี้จะ ต, ต้องฝึกฝนผมถือว่าทุกองค์ฝึกฝนได้แล้ว ถ้า่ครูสอนไว้แล้วนี่ทำไมเราจะทำไม่ได้ถ้าพวกท่านทิ้งความดีผมก็เสียใจไม่จะเสียใจอย่างที่ชาบ้านเเสียใจยเสียใจนิดหนึ่งว่าความดีมันน้อยสำหรับท่านไปท่านนลงหลนิยมความชั่วนี่ผมไม่รู้จะทำไงได้เปะนอ้นว่าความดีท่านมีไว้แล้วก็แล้วกันเขาสอนแล้ว บัดนี้ก่อนที้เข้ามาเนี่ยก็สอนกันแล้วก่อนจะบวดก็สอนกันแล้วทาได้มัน ไ, ได้ทรงได้ไมันได้เป็นความดีความชั่วของท่านแล้วก็ใช้กำลังบกเปนิวาสันติยานดูชาติต่างๆเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นสัตว์บ้างมันก็ตายทุกชาติ มีฐานะดีขนาดไหนก็ตายมีอำนาจวาสนามีดีขนาดไหนก็ตายยากจนเข็นใจขนาดไหนก็ตายมีเป็นเพศหญิงเพศชายก็ตายเป็นบิบสุสัมเนงก็ตายเป็นคนเป็นสัตว์ตายยังไม่พอ ถอยหลังไปดูความเปนติวดาด้วยพรมทุกคนวินนั่งฟังอยู่เนี่ยผมขอยืนยันถ้าทุกท่านจะใช้ปุบเผนิวาสานติยานเวลานี้ท่านจะทราบว่าตัวของท่านเองเน่เคยเปนธิวดาและพรมมนแล้วนับชาติไม่ทนอเอ้าใครแน่ใจก็ลองดู เมื่อเป็นมาแล้วดูถ้ามันเป็นเท่าไรมันถึงต้องจดติความจริงสภาพของโลกนี่ไม่มีอะไรดีเลยมนุษย์สรโลกว่าโลกพรมโลกไม่ดีไม่มีการทรงตัวมนุษย์เรียว่าตายเทวดาและพรหมเรียกว่าจุติมันก็ไอตัวตายาเหมือนกันนั่นแหละตัวไปคําว่าตายในพระศาสนาสัมมรนงัง แต่คนตายจริงๆพระพุทธเจ้าสันทตันว่าการลังกาตะวาแต่ในสมบัติกาสูตรที่นบจุติเหมือนกันเคลื่อนหมดไม่ใช่ตายมันเคลื่อนไปอยู่ที่นี่มันได้ก็าไปอยู่ที่โน่นอยู่นรกมันได้ก็ไปอยู่เป็นเป็นเปรตเป็นสัตว์เออโทษเป็นมนุษย์มันได้ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นนรกไปเไปรวมความว่าถอยหลังไปจริงๆเราก็อย่าเบื่อกันเกิด แล้วก็จะมั่นใจจริงๆว่าชาตินี้มันตายตายถ้าพลาดท่าพลาดทางหันเข้าไปดูอีกสองอันวิจิกิจฉากศิลปะประมาทบางชาติมีความเคารพในพระไตรศนาคมดีตายปุ๊บปับไปสวรรค์ไปเป็นพรหมบางชาติมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ ตายพบปับไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมแล้วก็จุดตีจากเทวดาผมมาเป็นคนมีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมีสติปัญญาก็เฉลียวฉลาดรูปร่างหน้าตาก็สนสวยบริบูรณ์ในทรัพย์สินมีแต่ความสุขบางชาติมีความปราโมทย์ในพระไตรรณฎกมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ประมาทในพระธรมรมพระมาทในพระอริยสงฆ์ะธรรมคำสั่งสอนองสมเด็จพระสัมมาวุริเจ้าเทศว่าอย่างนี้ยักย้ายถ่ายเทไปเทศอย่างนอนถือมติของตอนเองเป็นสำคัญอย่างพระกบินตายแจกความเป็นพระลงอเวชีมหารก น่ากลยาเทพธิวาดาวไม่มีเทวาดาวไม่มีความสําคัญอะไตามมาติของท่านนะในเมื่อพระอรหันต์นั่นหลายตักเตือนท่านก็โกรธแล้แม่กับน้องสาวก็พันโกรธโดยช่วยกันด่าพระเ่วยกด่าพระที่ตักเตือนพอตายแล้วพากข้าไปเวจีทั้งสามคนทั้งพระกับบิงก็ไปเวจีเรียกว่า แม่แั้นน้องสาวก็ไปอเวจีนี่ในการปราบมตดพระรัตนตรัยดัดแปลงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้มติลทัทธิขั้นตองเข้าสนองเข้าเสนอแทนตายแล้วก็ต้องไปอบายภูมิอย่างนี้บางชาติของเราก็มีบางชาติและ้วละเมื่อสิงห์ก็ลงนรกเช่นเดียวกัน ก็รวมความว่าเราต้องการจะใช้ทรงอารมณ์ความประสงดาบันถ้าใช้ปกเพนิวาสามวิทยาณช่วยอย่างเดียวก็เหลือแหลในยันแปดพระโสดาบันนี้ง่ายๆไปตรงถึงยันแปดแล้วไปตรงถึงอันนี้วันนั้นว่าถ้าเราเป็นพระโสดาบันจริงท่านบอกว่าต้องมีอารมณ์ทรงใจคือนิพพาน อันนั้นเป็นของไม่ยากถ้าจิตของเราเข้าถึงอันดับนี้พระจิตมุ่งเข้าสู่พระความเป็นพระโสดาบันเรียกว่าพระโสดาปฏิมาจิตใจเริ่มมีความเข้าใจดีด้วยกําลังของปกเพนิวาสัมปิยานในเรื่องการเกิดการตายถอยหลังใช่ก็ไปเบื่อการเกิดต่อไปอีก อารมณ์เบื่อการเกิดต่อไปอีกก็เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายตอนนี้แหละเป็นโคตรภูของมัโสโซดาบันเมื่อรู้การเกิดการตายเบือ่อแล้วก็รู้ว่าตายและบางชาติลงนรกบางชาติขึ้นสวรรค์ไม่สงสัยในคุณพระไัยสนกคมอภัตตะนาตรายัยแล้วก็มีความมั่นใจในศีลอย่างนี้รมใจเป็นโคตรภูญาณ ในแล้วก็ในอุทุมบริกาสูตรท่านมีทิพยคุยานเมื่อมีทิพยคุยานถ้าจิตเข้าถึงโคตรโพยยานจะเห็นพระสอัมพณิพานชัดเจนแจ่มใสมากถ้าจิตยังไม่เข้าถึงตอนนี้แล้วก็เรื่องนิพานอย่าพูดก็ไม่รู้เรื่องหรอกไอก้ น, นาดที่กินเหล้าเมายากโกกมดเทชรเสพกรรม หลังหลายในกรรมอันนี้ไม่มีโอกาสแต่คนนี่ก็มีสามีปัญญาที่ขยับยั้งได้ทรงอารมณ์ได้เขาเห็นถ้าจิตเขถึงโถวแต่ภูใหญ่พระโสดาบันจึงจะเห็นพระโสดาบันเขาปฏิภาณิพานถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นจะได้ทิ่คุยานกนาดไหนก็ตามถ้ายังเป็นชานโล ก, กีร้อยเปอร์เซ็นไม่มีทางเห็นปฏิพภาณ นีจ่จำไม่ด้วยเรื่องนิาพานนะไม่ใช่จะไปทัศนาจรง่ายๆมันต้องเป็นคนดีมีความดีพอสมควรจริงใจเห็นแล้จะไปพระนิาพานได้ไปเที่ยวพระนิาพานได้ให้บอกว่าจะไปนิาพานนะเป็นของเปรอะเลอะเทอะถ้าเราเป็นคนเลอะเทอะเราเห็นว่่พระนิาพานเป็นของยากก็วงความว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัท ใช้กำลังใจขั้นกับพี่กับเกนแล้วก็อย่าลืมนะอย่าไปทิ้งสเ ก, ก็ดอย่าไปทิ้งเปลือกถ้าทิ้งสเ ก, ก็ดทิ้งเปลือกเมื่อไรคิ้อยูก่กุญญ์ก็ดีปุกเปนิวารสานิยาญก็ดีจัดจางถ้าทิ้งนานเกิไปจะสลายตัวทันทีจงรักษาสะเ ก, ก็ดให้ดี จ้นสายกับพี่ขอบทนอรมจะทรงตัวเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยแต่ความจริงพระโสดาบันเราจะเห็นได้ว่าท่านมีทานบรมีสูงเป็นงเครื่องสังเกตคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยมีการนิยมการให้ทานนัก แต่ว่าพระโสดาบันทัชรลาดนะพระไม่งโงไม่ใช่ชั่วช่างชีดีช่างสงอันนี้เขาไม่กินแน่แต่พระชั่วดูอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นครว่าในเมืองโกสัมพีพระทะเลาะกันพระอุทธเจ้าสรงห้ามไม่ฟัง ให้ก็เลยลีกไปปัรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบานันถึงอนาคามีมีปริมาณมากไม่ยอมใส่บาตรให้พระพุทนั่งกินเลยมีพระอริยเจ้าที่แท้ไมดีโง่เง่าเต่า ต, ตนไม่ใช่ไปชั่วช่างชีดีช่างสงการที่จะมาแก้ไขดัดแปลงคำสอนพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พระอริยเจ้ามีความเข้าใจและงความว่าพระโสดาบันหนักในการให้ทานเราจะสังเกตได้พระพุทธเจ้าจะได้ทรงบัญญัติพระว น, นวีนยัยว่าพระถ้ามไม่มีความจำเป็นจริงๆห้ามเข้าไปขอวัตถุและของใช้ของกินในเด็กูลของะเสคขะ อาเซกะบ่อยนิมัสโสนดาสิกาาิทาคาณาคาหากว่าพระาหลานท่เรียกอาเซขะไม่ต้องศึกษาต่อไปเสกะพยายามท่ศึกษาอยู่ถ้าจะมองบสโณดาบันพระโสดาบันจะครึ่รงคัดในศีลแต่รมเย็นยินเขาไม่อวดไม่มแบ่งเตะท่าว่าฉันเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ท่านบนนี้มีรมใจ ส, บ, สบายพระสดาบันนำมัดระวังในเนคขมภรมีเบื้องต้นได้ดีมากเวลาที่ใช้ฌานสมาบัตเระงับนิวรณได้ทันทีทันใดและสัญยอสำเนินการตัดพร้อมตายเกิดไม่ได้อีกความรู้สึกว่าจะไม่ตายไม่มีกับพระสูดาบัน ความสงสัยในคนพระไตรสรนายกรมนั่งสามราะการไม่มีอีกตายขายไปเลยการตั้งใจและเมตสินจะไม่มีไม่มีแต่กําลังใจของโสดาบันแน่นอนและจิตใจเขาโสดาบันทว่าดโดยบา ร, รมีท่านมีอธิษฐานบา ร, รมีตั้งมั่นพระนิพพานจริงมีสัจจะบา ร, รมีตรงอรมณ์ตรงรรพระนิพพานมีขันติบา ร, รมีอดทน มีอารมณ์ใดที่เข้ามาไข่ข้องท่านต่อสู้มีวิทยาบารมีตีฟันฝ่าบสษักมีปัญญาบารมีมีความฉลาดสัจจบารมีทรงใจแน่นอนอานบารมีตรงแล้วเมตตาบารมีพระโสดาบันมีมากอุเบกขาบารมีท่านทรงอารมณ์เฉยกดอารมณ์ไ้ไม่ยอมให้ความพระโสดาบันเสื่อมเฉยเลยยืนนิ่ง ถึงื่อโสดาบันยืนนิ่งแค่พระโสดาบันไม่ถอยหลังมีแต่ก้าวหน้าต่อไปแล้วบรรดาญาจงพัฒน์บริษัทต่งหลายเลือเพื่อนพิสูจน์สมนเมณ์คุยกันเวลาดึกๆก็ดีแต่เวลานี้มันหมดเวลาก็ขอจบเรื่องราวของพระโสดาบันไม่เพียงเท่านี้นี่พูดไว้แต่เป็นตัวอย่างความจริงถ้าเราได้ ยานสองอย่างคือปกเพนิวาสานุญาณกับทิพย์กุญาณมันง่ายมากง่ายจริงๆบรรดาเทพุทธบริษัทเหญิงยังง่ายได้ยากเวลาใกล้ตีสีเวลานี้ขอลาก่อนขอความสักดิ์สิทธิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดบรรดาเทพุทธศาสตร์พรนิคชนพระเป็นสาวกคู่องค์พร้อเด็กปทินาวรทุกท่านจอดดี